วันนี้พวกเราได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมการอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้มีมากขึ้นไปตามลำดับกำลังใจนี้ เราเรียกว่ากําลังภายในส่วนกําลังกายเรียกว่ากําลังภายนอกกําลังภายนอกกับกําลังภายในมีความแตกต่างกันทั้งการกระทําและผลที่เกิดจากการกระทํา กำลังกายกำลังภายนอกมีไว้สนับสนุนรับใช้กิเลสตัณหาความอยากความต้องการต่างๆกำลังภายในมีไว้สำหรับต่อต้านต่อสู้ยับยัง้งทำลายกิเลสตัณหาต่างๆ ผลที่เกิดจากการใช้กำลังภายนอกกับกำลังภายในก็แตกต่างกันผลที่ได้จากการาใช้กำลังภายนอกก็จะเพิ่มตันหาความอยากเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับส่วนการใช้กำลังภายใน ผลของการใช้กําลังภายในก็จะทําให้กิเลสตัณหาลดน้อยถอยลงไปและหมดไปในที่สุดความทุกข์ต่างๆด้ยจะลดน้อยถอยลงไปและหมดไปในที่สุดเช่นเดียวกันนี่คือความแตกต่างระหว่างการเสริมสร้างกําลังกาย กับกําลังใจนักปราดคนฉลาดจึงไม่หลงไปกับการสร้างกําลังกายแต่จะหันมาสร้างกําลังใจกันสร้างกําลังภายในเพราะผลที่จะได้รับจากการสร้างกําลังภายในก็คือความสิ้นสุดของความทุกข์ความ มีความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไปตลอดอนันตการผลที่ได้รับจากการสร้างกำลังกายก็จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเช่นถ้าเรามีกำลังกายดี เราอยากจะเป็นนักกีฬาเราก็ไปซ้อมฝึกเล่นกีฬาในข่านตน้นเราก็ซ้อมฝึกในกีฬาระดับโรงเรียนก่อนพอเราได้ชนะรางวัลที่หนึ่งเราก็ขยับไปสู่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป พอเราได้ชนะรางวั ล, ลระดับประเทศเราก็มุ่งไปสู่ระดับนานาชาติเช่นซีเกมก่อนแล้วก็เกิดความอยากที่จะขึ้นไปสู่ระดับเอเชียนเกมต่อไปและไปเทนระดับโอลิมปิกพอได้รางวัลโอลิมปิกก็อยากจะได้หลายเหรียญทองก็ต้องทุ่มเท ชีวิตจิตใจให้กับการเสริมสร้างกำลังกายยิ่งทุบเทมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดความเหนื่อยเกิดความยากลำบากเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายถ้าเสริมกำลังกายในทางที่ไม่ถูก เช่นนักยาบางคนบางท่านก็ใช้ยาชนิดต่างๆที่เรียกว่ายาดบเพื่อที่จะได้ให้มีกำลังกายมากเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเพื่อจะได้ควา้าเหรียญทองให้ได้เพิ่มมากขึ้นไปนี่คือเส้นทางของการ จเจริญการเสริมสร้างกำลังกายเป็นการตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่ไม่มีวันรู้จักคำว่าพอได้มากี่เหรียญทองก็ยังไม่พอได้ชนะรางวัลกี่ร้อยรางวัลก็ยังไม่พอต้องเล่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย จนกว่าร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตันหาได้แล้วก็ต้องหยุดไปในที่สุดเช่นนักกีฬาต่างๆหลังจากที่ได้เจริญได้เหรียญได้ชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องต่อมาร่างกายก็เริ่มมีความเสื่อมมีความ สดถอยการไปชิงไปชิงรางวัลไปแข่งขันกับผู้อื่นก็เริ่มปีการท่ายแพ้แล้วในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้แล้วตอนนั้นก็มีความเสียดายเสียใจทั้งทั้งที่ได้รางวัลมามากมายกายกอง แต่รางวัลเหล่านั้นไม่เคยทำให้เกิดคำว่าพอว่าอิ่มว่าสุขเลยถ้าสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขในขณะที่ได้รับรางวัลพอเกิดความอยากจะได้รับรางวัลใหม่ขึ้นมาความสุขนั้นก็หายไปหมดไปดีเกิดเส้นทางและผลของการเสริมสร้างกาลังกายที่ ไม่ได้นำไปสู่ความพาสุขที่แท้จริงนำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วนำไปสู่ความผิดหวังในที่สุดเพราะร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาได้ต่อไปในทางตรงกันข้าม กำลังภายในหรือกำลังใจนี้กับจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เสริมสร้างได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับได้มีความอิ่มความพอเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับได้ลดละความทุกข์ความวุ่นวายใจ ให้มีน้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปได้ในที่สุดนี่คือเส้นทางและผลของการสร้างกำลังภายในกำลังภายในนี้เรียกว่าเป็นกำลังหยุดกำลังดึงไว้ดึงดึงกิเลสตัณหาไว้ส่วนกำลังภายนอกกำลังร่างกายนี้ เป็นการผักไปตามความต้องการของกิเลสตัณหาถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เหมือนเบรคกับคันเร่งคันเร่งของรถยนต์นี้มีไว้สําหรับให้รถยนต์วิ่งเร็วขึ้นไปตามลําดับอันนี้ก็เป็นเหมือนกําลังกายที่ต้องการที่จะ ได้สิ่งต่างๆมากขึ้นไปตามลำดับก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังกายคนเราที่ออกกำลังกายกันทุกวันก็เพราะต้องใช้ร่างกายตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาอยากจะทำงานอยากจะทำลายร่างกายต้องแข็งแรงถึงไปทำงานได้ถ้าร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่สามารถไปทํางานไปทําอะไรต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับคันเร่งของรถยนต์ถ้าต้องการให้รถยนต์วิ่งเร็ววิ่งไปไกลก็ต้องเหยียบคันเร่งลงไปเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นไปตามลําดับส่วนกําลังภายในนี้เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์ ที่จะหยุดการหยุดการเคลื่อนไหวของรถยนต์แทนที่จะให้รถยนต์วิ่งต้องการให้รถยนต์หยุดเช่นเวลาเรามาถึงสี่แยกไฟแดงหรือเวลาเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราต้องการลงจากรถยนต์เราก็ต้องหยุดรถยนต์เราก็มีเบรกไว้สำหรับหยุดรถยนต์ ก็ที่เราจะได้ลงจากรถได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับกำลังภายใ น, นกำลังภายในนี้มีไว้สำหรับเบรกกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่คอยเสริมสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ ถ้าหยุดกิเลสตัณหาได้ใจก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจเป็นที่เกิดของความสุขที่แท้จริงถ้าต้องการหาความสุขต้องใช้เบรคต้องใช้กำลังภายในถ้าหาความสุขด้วยการใช้คันเร่งด้วยการเหยียบคันเร่งก็จะ พบแต่ความทุกข์พบแต่ความวุ่นวายใจพบกับความไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องพยายาม <c oughs> หามาเพิ่มมะอยู่เรื่อยๆหามาจนกระทั่งไม่สามารถหาได้ก็พบกับความเสียใจพบกับความผิดหวังนี่คือผลของกำลังภายในกับ กำลังภายนอกพวกเราจึงไม่ควรหนงนดลเรินไปกับเรื่องของกําลังภายนอกเรื่องของกําลังกายเพราะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นการนําไปสู่ความสุขปลอมเป็นตัวที่จะนําไปสู่ความทุกข์ความ <c oughs> ความผิดหวังแต่กําลังภายในนี้จะเป็นตัวที่จะนําไปสู่ความทุกสุขที่แท้จริงเป็นตัวที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างกําลังกาย ท่านให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างกําลังใจกําลังภายในต่างกับาชาวโลกทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าไม่ได้เป็นพระลาหนจะให้ความสําคัญต่อการสร้างกําลังกายกันเพราะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเน่อในอดีตเป็นนักรบ การศึกสงครามก็ต้องมีร่างกายกำยำแข็งแรงเพื่อที่จะได้เข็นข่าผู้อื่นเพื่อจะได้ครอบครองอาณานจักรของผู้อื่นให้มาเป็นของตนเองนี่คือเส้นทางของผู้ที่อยากจะเป็นมหาจักรพรรดิต้องมีความแข็งแรง ทางร่างกายต้องมีความสามารถใช้ร่างกายในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่างๆเพื่อที่จะได้ครอบครองสมบัติและอาณาจักรของข้าศึกศัตรูเพื่อที่จะได้ประกาศตนเป็นมหาจากักรพรรดินี่ก็เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสามารถไปได้เนื่องจากทรงมีพระบรารมี ที่จะสามารถสร้างกำลังกายให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้มารับใช้ตันหาความอยากที่จะเป็นมหาจักรพรรดิ์ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาที่ได้ทรงบาเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องจึงทาให้ทรงเห็นว่าการเป็นมหาจักรพรรดินี้เป็นการเข็นข้าเป็นการ สร้างบาปสร้างกรรมเป็นการปราศจากความเมตตากรุณาเป็นพเป็นความโหดเหี่ยมทารุณดุร้ายเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานพระองค์จึงไม่ปรารถนาที่จะเสริมสร้างกำลังกายเพื่อที่จะได้ออกรบเพื่อที่จะได้ครอบครองอาณาจรรักรต่างๆ พระองค์กับทรงเห็นว่าการเสริมสร้างกำลังภายในกำลังใจเป็นทางที่ถูกที่ควรที่จะนำมาสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะดับความทุกข์ที่แท้จริงและถาวรได้แทนที่จะอยู่ในพระราชวังเพื่อที่จะได้ รับพระราชามรดกอยากพระราชาบิดาและขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลพระองค์กับสเสด็จออกทรงผนวชในขณะที่มีพระวัยที่ยี่สิบเก้าพามีใครบ้างที่จะทำอย่างนี้ได้ ต้องเป็นคนที่มีปัญญาที่ลึกซึ้งที่สามารถเห็นภาวะจิตใจของตนได้คนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นภาวะจิตใจของตนได้ว่าอะไรทําให้ตนมีความสุขว่าอะไรทําให้ตนมีความทุกข์คนที่ไม่มีปัญญานี้จะไม่สามารถเห็นภาวะของจิตใจได้ ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปเห็นว่าการได้มีเป็นใหญ่เป็นโตได้มีอำนาจวาสนาได้มีทรัพย์สมบัติมีอาณาจักรมีอะไรต่างๆนี้เป็นการให้ความสุขกับจิตใจ แต่ไม่เคยมองเข้าไปในจิตใจเลยว่าเวลาได้มาแล้วก่อนที่ได้กับหลังที่ได้นี้มันต่างกันอย่างไรอะไรจะมากกว่ากันก่อนที่ได้มากับหลังที่ได้มาความทุกข์นี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงความสุขนี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงมองไม่เห็นกลับไปเห็นว่ามีความ มีของมากก็ต้องมีความสุขมากแต่ไม่เห็นว่ามีของมากต้องมีความทุกข์มากแต่คนที่มีปัญญาจะเห็นจะเห็นว่าจิตใจจะมีความวุ่นวายมากยิ่งมีอะไรมากเท่าไหร่ก็ต้องมีความวุ่นวายมากเพราะจานวนปริมาณของขอ ง, ของมันก็ทำให้ต้องมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ถ้ามีน้อยความเกี่ยวข้องก็น้อยความวุ่นวายก็น้อยนี่คือปัญญาของนักปราชญ์ของคนฉลาดที่แท้จริงจะเห็นว่าการมีมากนี้เป็นทุกมากการมีน้อยนี่เป็นการมีทุกน้อยการไม่มีเลยนี้เป็นการไม่มีทุกเลยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้า ทรงตัดสินทาไทยสเสด็จออกจากพระราชวังและไปประทับอยู่ในป่าอยู่ตามลำพังปราจะจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนอกจากอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักบวชที่มีอยู่แปดชิ้นเท่านั้นในสมัยปัจจุบันนี้สมัยพระพุทธเจ้านี้มีน้อยกว่าแดชิ้น สมัยแร ก, แรกนี้พระสงฆ์ไม่มีไตจีวรมีเพียงแต่ผ้าสองผืนเท่านั้นผ้านุ่งผืนนึงผ้าห่มผืนหนึ่งผ้าหม่นหนาหมกันหนาวนี้ไม่มีผ้าห่มกันหนาวนี้มีมาในภายหลังหลังจากที่มีผู้ที่มาบวชกันเป็นจํานวนมากและมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อภาวะของอากาศหนาวเย็น ไม่เหมือนกับพระที่บวชในยุคแรกๆเป็นพาาาระอรหันต์มีจิตใจที่เข้มแข็งที่ไม่หวั่นไหวกับความหนาวเย็นของอากาศพอมีพระที่มีอินทรีย์อ่อนที่ทนรับกับอากาศหนาวไม่ได้มากราบทูลขออนุ ญ, ญาตหาผ้าห่มมาพระพุทธเจ้าเลยทรงพิจารณาด้วยการประทับ นั่งสมาธิในตอนกลางคืนในยามแรกก็องค์ทรงห่มผ้าผืนเดียวคือตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มทรงห่มผ้าผืนเดียวก็รู้สึกว่าพอดีอากาศไม่หนาวเหน็บจนเกินไปแต่พอในยามที่สองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสองตีสองนี่ทรงเห็นว่า ผ้าผืนเดียวเริ่มไม่พอกับการป้องกันความหนาวเย็นจึงนำเอาผ้าอีกผืนหนึ่งมาห่มทับเป็นเป็นสองผืนพอในยามที่สามคือตั้งแต่ตีสองถึงหโมงเช้าความเย็นก็มีเพิ่มมากขึ้นผ้าสองผืนก็ยังไม่สามารถป้องกันความหนาวเหน็ดได้ ก็เลยเอาผ้าอีกผืนหนึ่งผืนที่สามมาห่มจึงพอที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นจึงได้อนุญาตให้ทำผ้าห่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งผืนแต่ทำสองชั้นเรียกว่าผ้าสังคาติผ้าที่ญาติโยมเห็นผ้าผ้าอยู่บนไหลเวลาที่ท่านประกอบพิธีกรรมต่างๆ อันนั้นหละคือผ้าห่มนอนเวลานอนหลับแล้วมันหนาวก็ใช้ผ้านี้มาหม่มส่วนผ้าที่ท่านสวมอยู่นั่นเรียกว่าผ้าหม่มผ้าจีวรผ้านุ่งก็คือผ้าสบงในยุคแรกๆนี้จะมีผ้าเพียงสองผืนดังนั้นอัตตะบริหารยังมีไม่ครบมีมารบในภายหลัง เพิ่มผ้าขึ้นมาอีกสองผืงผนแต่เย็บติดกันให้เป็นผืนเดียวผ้าคลองของพระยังมีสามชิ้นด้วยกันสามแปว่าไตจีวรแปลว่าผ้าหผ้านุ่งรวมกันก็เเรียกว่าไตจีวรเลยเป็นถือเป็นบริหารสามชิ้นบวกกับบริหารชิ้นที่สี่ก็คือบาตร ชินที่ห้าก็คือปะคนเอวที่รัดที่รัดสมบงผ้าผ้านุง่งแล้วก็บริขานข้อที่เจ็ดก็คือเข็มก็ได้บริคานข้อที่ข้อที่หก็คือเข็มกลับได้ข้อที่เจ็ดก็คือไมมิกนไวบปลงผมปลงหน่อยแล้วก็ บริขารข้อที่แปดก็คือชิ้นที่แปดก็คือที่กองน้ำเวลาตักน้ำจากลำห้วยลำทานจะได้ไม่ตักตัวสัตว์ขึ้นมาเวลาจะตักน้ำขึ้นมาดื่มหรือมาบริโภคจะได้ไม่ฆ่าสัตว์จะได้ไม่ทำบาสนี่คือบริฐารที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระมีไว้เป็นสมบัติ ที่พอเพียงกับการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขในเริ่มสมัยเริ่มแรกนี้มีเพียงเจดชิ้นเรามาเพิ่มอีกอีกเช่นหนึ่งในภายหลังเป็นแปดชิ้นด้วยกันนี่ก็คือเรื่องของการมีมากมีน้อยต้องการให้มีน้อยที่สุด เพื่อจะได้มีความทุกข์น้อยที่สุดถ้ามีมากก็ความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นความทุกข์คืออะไรก็คือความภาระที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งที่ตนมีอยู่ความหวงก็เป็นความทุกข์ความหวงก็เป็นความทุกข์ความเสียดายเวลาที่สูญเสียไปก็เป็นความทุกข์พอมีอะไรแล้วจะต้องมี ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นทันทีมีภาระต้องคอยดูแลรักษามีความห่วงมีความห่วงมีความเสียดายนั้นถ้ามีหนึ่งก็คูณด้วยหนึ่งมีสองก็คูณด้วยสองมีสิบก็คูณด้วยสิบนี่แหละถึงต้องมีน้อ ย, อยเพราะว่าจะได้ลดความทุกข์ ใ่ายเนใจให้มันน้อยลงไปนี่คือนักปราชญ์ความเห็นของนักปราชญ์จะเห็นตรงข้ามกับของคนโง่คนโง่นี้คิดว่ามีมากๆแล้วจะมีความสุขยิ่งมากจะยิ่งมีความสุขมากแต่ไม่เคยดูใจเลยเวลานอน น, นอนแทบจะไม่หลับ คอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลอยู่กับของที่มีอยู่นั่นแหละแล้วเวลาตายไปเอาไปได้ทักชิ้นหรือเปล่าเอาไปไม่ได้เลยทิ้งให้คนอื่นเขาหมดแต่เวลาอยู่นี่ห่วงไม่ยอมให้ใครแตะไม่ยอมให้ใครต้องแล้วห่วงมากๆตายไปอาจจะกลับมาเกิดเป็นผีเฝ้าสมบัติเป็นหมาเฝ้าสมบัติ อย่างในสมัยพระพุทธการก็มีเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งที่โลภมากรักสมบัติมากหาสมบัติด้วยวิธีการต่างๆถ้าจะต้องโกหกก็โกหกต้องโกง ก, ก็โกงขอให้ได้เงินมาเยอะๆความงกความโลภได้มาแล้วก็หวงแม้แต่ลูกก็ไม่ให้ไม่บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปขุดหลุมฝังไว้ในดิน พอตายไปความหวงความห่วง ม, มันผูกพันจิตใจก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเพราะเป็นวิถีทางที่จะทาให้กลับมาหาสมบัติได้เร็วที่สุดพอดีหมาในบ้านตั้งท้องขึ้นมาตนเองตายไปพอดีก็เลยออกจากร่างมนุษย์ก็ขอเข้าร่างสุนัขแทนเพราะยังไม่อยากจะจากสมบัติไป เนี่พอดีพระพุทธเจ้าอ่งอะสะเสด็จผ่านมาทรงเห็นดวงวิญญาณดวงจิตของหมาเศรษฐีที่ตอนนี้ได้ร่างของสุนัข ก, ก็เลยบอกลูกๆของเศรษฐีว่าไอ้หมาตัวเนี้มันเป็นพ่อของเธอนะที่กลับมาเกิดใหม่เธอต้องเหี้ยงดูมันให้ดีอย่า้มันหายไปนะเพราะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติ พอหมามันโตขึ้นมันมีกําลังวังชาขึ้นมันก็ไปหาสมบัติที่ตัวเองเคยขุดเคยฝังเอาไว้ลูกเห็นหมาไปขุดลูกก็ไปช่วยก็เจอสมบัติก็เลยเชื่อเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพยายามทําบุญไม่ทําบาปกันนี่คือ เรื่องของการมีมากแทนมันแทนที่จะทำให้เราจเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองทางจิตวิญญาณกลับทำให้มันเสื่อมลงไปเห็นไหมจากมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขเลยมีเรื่องของภาพภิสูจที่รักจีวรมากๆขูงกีวรมากๆเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเป็นเดรัจฉานอีกเหมือ น, นกัน ถึงแม้เคยบวชเป็นพระมาเป็นเวลาอันยาวนานแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์พอตายไปความงกความหวงใน้าจีวรนี้ก็เลยพาให้กลับมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะจีวรพระเจ้าก็บอกพระว่าอย่าเพิ่งเอาภาพผืนนี้ไปใช้สมัยก่อน้ามีน้อย เวลาผ้าตายไปนี่เขาไม่เอาผ้าไปเผาด้วยถ้าผ้ายังใช้ได้อยู่เขาจะให้พรารูปอื่นที่มีผ้าที่ที่ไม่ดีที่ขาดไม่สมบูรณ์ถ้าผ้าของคนตายของพระที่ตายนี้ยังดียังสมบูรณ์อยู่ก็เอามาใช้ใหม่ได้แต่ทรงห้ามว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเอาไปเพราะตอนนี้เจ้าของเขายังไม่ให้ก็ยังหวงอยู่ พอไม่กี่วันตัวเลนนั่นตายไปพระเจ้าก็บอกว่าตอนนี้เจ้าของเขาไปแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาใช้มันไม่ได้แล้วตอนนี้ใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปเอาไปใช้ได้นี่คือปัญญาหรือญาณอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าสามารถอย่างรู้เห็นดวงวิญญาณ ดวงจิตดวงใจของคนได้พวกเรานี้มองไม่เห็นแม้แต่ของเราเองเรายังมองไม่เห็นเพราะเราชอบปิดตากันไม่ชอบลืมตากันชอบเอาความหลงมาเป็นตัวนำทางกันไม่ชอบเอาแสงสว่างปัญญานาทางกันไม่ชอบภาวนาเพื่อเบิกตาในากันชอบใช้ตานอกกันไม่ชอบใช้ตาในา เวลาให้นั่งสมาธิกันนี้โอ้ยบ่นกันใหญ่หลับตากันปั๊บเห็นผีเห็นอะไรหุ่นกลัวไปหมดนั่งสมาธิมัยังไม่ยอมนั่งหลับตาขอลืมตาไม่รู้ว่าการนั่งหลับตานี้เป็นการปิดตานอกแล้วเปิดตาในตาในานี้มันละเอียดกว่าตานอกแล้าเปิดตานอกแล้วตานอกของตานอกมันจะกลบของตาในาหมด ทำให้มองไม่เห็นแต่ถ้าปิดตาในปิดตานอกแล้วเดี๋ยวตาในก็จะเห็นอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาที่มีอยู่ตลอดเวลาดวงจิตดวงใจของวกเรานี่ยมีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นมันก็เพราะว่าเราไม่ยอมปิดตานอกกันถ้าเราปิดตานอกนี่เราหลับตาแล้วนั่งพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็จะเจอเอง เจอผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็คือตัวจิตตัวใจแต่นี้เราไม่ชอบกันเราชอบความหลงกันกลัวกลัวความจริงกันไม่กล้าเข้าหาความจริงกันพอให้นั่งหลับตานี่กลัวกันเหลือเกินต้องลืมตานั่งสมาธิยังต้องลืมตาถ้านั่งลืมตาแล้วมันจะไปเห็นอะไรมันก็เห็นของภายนอก ถ้าเห็นของภายนอกมันก็จะไม่เห็นของภายในยมันต้องหลับตาแล้วก็ควบคุมความคิดพอหยุดความคิดได้แล้วตาในก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะเห็นเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นใจเห็นผู้รู้อตอนนั้นตัวน่อกก็หายไปคือร่างกายตัวปลอมก็หายไปเหลือแต่ตัวจริง แล้วก็จะทำให้รู้ว่าตัวนอกไม่ใช่ตัวเราก็จะปล่อยได้ปลงได้ตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะตัวเราของเราที่แท้จริงคือตัวรู้นี้เองตัวรู้นี้ไม่หายเวลาตัวร่างกายหายไปตัวรู้ไม่หายตัวรู้กลับเรินขึ้นมาแต่เวลาที่ตัวร่างกาย โพลกลับเกินมาตัวรู้ก็ถูกกลบไปมองไม่เห็นตัวรู้นี่คือเรื่องของของผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีปัญญาจะเห็นโทษของการมีสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์เพราะท่านก็ตัดไว้แล้วว่าสัพเพสังขารานิจาร์สังขาราก็ของต่างๆที่เกิดขึ้นมา ด้วยการผสมปุนแต่งของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเช่นวัตถุข้าวของต่างๆนี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของอะไรที่มีการผสมกันขึ้นมาก็ต้องมีการสลายตัวออกไปเพราะนี้เป็นกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรจะรวมตัวกันได้ไปตลอด รวมตัวไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะอ่อนกำลังกำลังที่จะรวมตัวนี้มันหมดกำลังกำลังที่จะแยกมันก็จะดึงส่วนต่างๆให้แยกออกไปน้ำก็จะไปทางหนึ่งลมก็จะไปทางหนึ่งไฟก็จะไปทางหนึ่งดินก็จะไปทางหนึ่งดูร่างกายแล้วเอากขแลกกันเวลาตายไปถ้าไปทิ้งไว้ในป่าช้ามันจะเป็นยังไง ไฟมันก็ออกไปแลนะ้วตัวเย็นเฉียบนมก็มีแต่ออกมีแต่กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้ก็ลมตรงนั้นแล้ว เ, เดี๋ยวน้ําก็ไหลออกมาน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆไหลออกมาต่อไปก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่แหละคือสังขารเป็นทุกข์มีวาแล้วเป็นสุขเมื่อเป็นทุกข์มีร่างกายนี้แล้มันเป็นสุขเมื่อเป็นทุกข์ ทุกตั้งแต่วันออกมาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องแล้วอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องดูแลมันแม่ดูแลให้ผ่านทางสายเลือดแต่พอออกมาจากท้องนี่ถูกตัดสายเลือดออกจากกันแล้วทีนี้ต้องหาลมมาเองแล้วหาน้ำเองแล้วหาดินเองหาไฟเองออกมามันจงร้อง ทุกหนอทุกหนอแต่คนกับฉลองดีออกดีใจกันจัดปลาต้ตามปลาตี้เลี้ยงวันเกิดต้อนรับน้องใหม่กันต้อนรับความทุกข์กันตั้งแต่วันนี้เธอจะทุกข์ไปจนวันตายเนี่ยใครคิดอย่างนี้ไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันมีวันไหนที่ไม่ทุกข์บ้างไหมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก็ไประบายความทุกข์ไม่แห่ ไปกินอาหารก็ระบายความทุกข์ไปดื่มน้าก็ระบายความทุกข์หายใจก็ระบายความทุกข์มีแต่การระบายความทุกข์อยู่ตลอดเวลาการเกิดท่านถึงเรียกว่าเป็นทุกข์พะเกิดแล้วเดี๋ยวก็แก่แก่ก็เป็นไงก็ทุกข์อีกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะทาอะไรก็ขยองขย่งทาอะไรก็ไม่ค่อยไหว แล้วทุกข์เพราะความแก่แล้เดี๋ยวก็ต้องเจ็บตรงนั้นปวดต้งนี้ก็ต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ต้องไปรักษาให้หมอฉีดยาให้หมอผ่าให้หมอตัดอีกก็ทุกข์อีกพอหมอบอกผ่าไม่ไหวตัดไม่ไหวแล้วก็ส่งให้สั ป, ปเหร่อต่อไปก็ตายอีกนี่และชีวิตของพวกเราร่างกายของพวกเรามันเป็นอย่างนี้ ทำไมยังชอบเกิดกันแล้วเกิดเพราะไม่มองความทุกข์กันมองแต่ความสุขที่ได้เล็ก ๆ, ๆน้อยๆจากการมีร่างกายมีร่างกายแล้วจะได้ดูหนังได้ดูละครได้ไดกินได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นได้สนุกสนานจะมองแต่ส่วนที่เป็นความสุขแต่พอเวลาต้องเจอความทุกข์ก็ร้องกันบนกัน ตอนนั้นก็อยากจะทําบุญอยากจะไม่กลับมาเกิดแต่มันก็ต้องทําเยอะๆต้องทําตั้งแต่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามาทําตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่มีกําลังทําไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องพยายามอา สร้างกำลังภายในตั้งแต่แบบนี้ไปสร้างในขณะที่เรายังมีความสามารถที่จะทำได้ทําทานนี้ตอนนี้เราทําได้ก็ทําไปรักษาศีลได้ก็รักษาไปภาวนาได้ก็พยายามภาวนาไปเพราะนี้เป็นการ <c oughs> สร้างกำลังใจสร้างกำลังภายใน ส่วนกำลังภายนอกนี้ไม่ต้องไปกังวลกัมันมากเพียงแต่ให้อาหารมันให้มันมีปัจจัยสีน่นี้มันก็อยู่ได้แล้วมีกำลังที่จะมาปฏิบัติได้แล้วมาสร้างกำลังภายในได้แล้วไม่ต้องไปวิ่งสายพานไม่ต้องไปออกกาลังกายยกน้าหนักเข้าฟิตเนสทำอะไรต่างๆ ให้นั่นเข้าไปเพื่อรีดไขมันมากกว่าเข้าไปเพราะว่ากินมากเกินไปหยุดตันหาสู้ตันหาความอยากกินไม่ได้กอกินมากๆแล้วไม่เอามาเอาออกมาใช้มันก็สะสมอยู่กลายเป็นไขมันขึ้นมาทำให้ร่างกายปง่งพองขึ้นมากลายเป็นตุ่มไปก็ต้องไปเข้ารีดไขมันกัน แต่รีดได้แค่ร้อยละสิบเอาเข้าไปแล้วร้อยละร้อยละร้อยแต่รีดออกมาแค่ร้อยละสิบรีดยังไงมันก็ไม่ยอมลดลงทีเพราะไม่หยุดกินไม่หยุดความอยากกินเพราะไม่มีกําลังภายในถ้ามาสร้างกําลังภายในนี่ไม่ต้องไปปิดเนี่ยรับรองได้เยบางคนมาบวชมาศาึกษามาปฏิบัติธรรมนี่ลดไปเป็นห้ากิโลสิบกิโล พระที่มาบวชในพรรษาเนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยน้ำหนักขนาดนั้นพอลดพอเสกไปเนี่ยอย่างน้อยห้ากิโลสิบกิโลขึ้นไปเพราะต้องตัดการกินให้น้อยลงไปที่วัดนี้ให้ฉันมือเดียวถ้าก่อนบวชนี่ก็กินสามสี่มือ้อแล้วแถมกินขนมนมในระหว่างมื้ออีกมันก็ถึงน้ำหนักมากเกินไปแต่พอมาบวช มีวินัยบังคับไว้ให้กินได้เพียงวันละหนึ่งครั้งมันก็เลยทำให้ไขมันที่สะสมไว้ก็ค่อยๆลดน้อยลงไปอันนี้เกิดจากการมีกำลังภายในถึงจะสามารถทำได้ถ้าใช้การออกกำลังกายการเข้าฟิตเนสเนี่ยไม่มีวันที่จะที่จะเอาชนะความอยากได้ พอมันลดลงไปก็ดีใจกินมันอีกฉลองมันอีกเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวนั้นที่สุดก็ยอมแพ้เลิกไปฟิตเนะ ย, ยอมรับชะตากรรมของตนจะเป็นตุ่มก็ขอเป็นขอให้ได้กินกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย กินมากๆเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บก็มาถามหาแล้วมาเยี่ยมเยียนแล้วเดี๋ยวความดันก็มาเดี๋ยวไขมันอุดตันก็มาแล้วเดี๋ยวก็เบาหวานก็มาแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็หัวใจวายเส้นสมองติดตันนี่แหละเป็นผลที่เกิดจากการทําอะไรตามความอยากแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอยากกินก็กินมัน อยากดื่มก็ดื่มมันแล้วในที่สุดก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาพวกที่ชอบดื่มก็จะไปเจอกับพวกโรคกระเพาะโรคตับโรคไตตับแข็งไตาวายเกิดจากการดื่มสุรายาเมาพวกที่ชอบสูบก็จะไปเจอโรคปอดสูบบุหรี่สูบยาอะไรต่าง เพราะว่าไม่สามารถต่อสู้กับความอยากได้ไม่เห็นความสำคัญของการสร้างกำลังภายในไม่เห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจจึงไม่ชอบทำบุญทำทานมีเงินเท่าไหร่เอาไปกินให้หมดเอาไปดื่มให้หมดเอาไปสูบให้หมดแทนที่จะเอาเงินที่จะไปกินไปดื่มไปสูบนี้มาทำบุญทำทานก็จะได้ตัดโรภคภัยไข้เจ็บทางร่างกาย แล้วก็สร้างกำลังภายในไว้สำหรับต่อต้านความอยากกินอยากดื่มอยากสูบอะไรต่างๆเหล่านี้ให้น้อยลงไปและหายไปได้อันนี้แหละคือเรื่องของคนโง่กับคนของคนฉลาดคนฉลาดจะไม่เห็นคุณค่าของการสร้างกำลังภายในจะเห็นแต่คุณค่าในการสร้างกำลังภายนอก คือกาลังของร่างกาย่อจะได้กินได้เต็มที่ได้ดื่มได้เต็มที่ได้เที่ยวได้เล่นอย่างเต็มที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นอะไรที่อยากเป็นได้อย่างเต็มที่แต่ไม่รู้ว่ามันไม่พอได้เท่าไหร่มันก็จะไม่พอและในที่สุดร่างกายก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการความอยากได้ พอไม่ได้ทําตามความอยากทีนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าส้อยง้อยง้อยเหงามีแต่ความว้าเหวมีแต่ความหงุดหงิดวุ่นวายใจไปดูสภาพของคนที่แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไปนอามาเพิกกรรมภาพาคนพิการคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําทานรักษาศีลไม่เคยภาวนา สภาพจิตใจของเขาจะย่ำแย่แต่ถ้าคนที่เคยเข้าวัดเป็นประจาเคยทำบุญทาทานอยู่เป็นประจารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจานี้สภาพจิตใจเขาจะไม่ย่ำแย่เพราะเขามีกำลังภายในไว้ต่อต้านตันหาความอยากไว้ทำลายความอยาก ความทุกข์ความวุ่นวายใจความหงุดหงิดลำคาญใจความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจความว้าเหวเศ้าซ้อยหงอยเหงานี้มันเป็นผลจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นแต่ถ้ามีกําลังภายในกิเลสตัณหาก็จะถูกลดปริมาณลงไปจนกระทั่งหมดไปถ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอุตตรจานี้ก็จะมีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเป็นอมตกอมภ่าแขนขาดขาขาดใจก็ยังสดชื่นเบิกบานจะตายก็เหมือนกันไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเพราะไม่มีกิเลสตัณหาที่จะมาสร้างความวุ่นวาย พอได้รับการกำจัดด้วยกําลังภายในจนหมดสิ้นแล้วจากใจท่านจึงอยู่อย่างประมังสุขขังตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่กิเลสตัณหาได้สลายหมดตัวไปอย่างของพระพุทธเจ้า ก, ก็ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกในที่พระมีพระพรรษาสามสิบห้าพรรษาหลังจากนั้นก็ทรงประทรับอยู่ อี่ทิพย์ผ้าพันสาประทับด้วยปรมังสุขขังไปจนถึงวันสุดท้ายของร่างกายนี่คือผลอันิสง์ของการให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างกําลังภายในไม่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างกําลังกายมากจนเกินไปวิธีเสริมสร้างกําลังกายของพระ อานารของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือการเดินจงกรมเนี่ยการบินทบางโตกับเนี่ยการเดินนี้จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีกําลังวังชาทําให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมีอายุยืนยาวนา น, า น, เ, นเกิดจากการได้เดินจงกรมอย่างสม่ําเสมอ เ, เป็นเป็นการออกกําลังกายที่พอแล้วไม่ต้องมากไปกว่านี้ เพราะไม่ได้เอาร่างกายไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ได้ไปเอาร่างกายไปเป็นทหารไปต่อสู้กับค่าศึกศัตรูต่างๆมีไว้เพียงแต่เอามาใช้ประโยชน์กับการเผยแร่ธรรมะคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นแต่ประโยชน์สุขของตนนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทาผ่านทางร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะประโยชน์สุขนี้มีอยู่เต็มที่และภายในหัวใจแล้วไม่สามารถเพิ่มให้มีมากขึ้นไปกว่านั้นได้และไม่มีวันพองหมดไปยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่เราใช้ได้มาผ่านทางร่างกายที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยเพราะตุ่มที่เราเติมความสุขนี้มันมีรอยรั่วอยู่ มีรอยรั่วอยู่สามรูด้วยกันคือกามะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเกิดตัณหาความอยากก็ไปเติมกันไปเติมความสุขกันพอเติมเต็มตุ ก, ก็อยู่เติมณ ว, วันลุงขึ้นมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาใหม่แสดงว่ามันพ่องลงไปแล้วมันไหลออกไปตามรูสามรูนี้คนฉลาดจึงไม่เติมอย่างเดียวเติมแล้วต้องอุดรูด้วย อุดรูแล้วเติมผลเดียวเต็มแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปคนฉลาดเลยมาอุดรูกันพระพุทธเจ้าพระอาหารหันนี่ท่านมาอุดรูรั่วของใจที่ทําให้ใจหิวใจอยากใจต้องการอยู่เรื่อยๆเด้วยการมาอุดการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาก็คือทําลายมันไม่ให้มันมี พอไม่มีการมักตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาแล้วใจก็อิ่มขึ้นมา ท, ทันทีใจก็เต็มด้วยความสุขขึ้นมา ท, ทันทีนี่คือธรรมชาติของใจใจไม่สุขเพราะใจมีรอยรั่วอยู่สามรอยไม่อิ่มไม่พอเพราะกามักตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอมาสร้างกํำลังภายในเพื่อที่จะมาทาลาย การมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาไปจนหมดแล้วใจก็เลยอิ่มขึ้นมาเหมือนเติมน้าหนเดียวก็เต็มตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปเพราะมันไม่รั่วมันไม่ไหลออกมาแต่ตอนนี้พวกเรานี้เติมเท่าไหร่มันก็ยังไม่อิ่มไม่พอเติมแล้วก็ต้องเติมอีกเรืยเลยเพราะเรายังไม่ได้อุดรอยรั่วสามรอยนี้อาจจะอุดได้บ้าง แต่ยังไม่ได้เต็มที่ยังตั่งพยายามอุดกันต่อไปอุดจนกรงทั่งมันไม่มีรอยรั่วแล้วเราจะได้ไม่ต้องวิ่งหาความสุขกันให้เหนื่อยความสุขมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วอยู่ในการหยุดตัญหาทั้งสามนี้เองพอหมดตัญหาแล้วมันก็หมดความอยากหมดนความต้องการพอไม่มีความต้องการมันก็อิ่มเนเวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วเราอยากจะกินอีกวปา ตอนนั้นความอยากกินก็ไม่มีเพราะมันอิ่มแล้วแต่มันอิ่มชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวลอยรั่วมันก็ดูดเอาอาหารที่เรากินออกไปหมดมันก็อยากจะกินใหม่ขึ้นมาอีกดังนั้นขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างกำลังภายในด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนและที่พระเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้ว ก็คือทาทานรักษาศีลบาเพ็ญจิตภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่ถึงจะสามารถทำลายตัญหาความอยากทั้งสามนี้ได้ถ้ายังทำไม่เต็มที่ยังไม่ก็ยังจะไม่สามารถทำลายให้มันหมดไปได้เหตุและผลมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่การกระทำถ้ากระทำ เต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยถ้ากระทำร้อยละห้าสิบผลมันก็จะได้แค่ร้อยละห้าสิบถ้าทำร้อยละสิบก็จะได้ร้อยละสิบดังนั้นอยู่ที่การกระทำเราต้องดูว่าการทำทานรักษาศีลภาวนาของเรานี้มันเต็มที่หรืออย่างเต็มที่ก็ต้องดูแบบพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตะ์นั่นแหละคือตัวอย่างของการทำเต็มที่มีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปบวเอาตัวเดียว เอาแค่แปดชิ้นพอนอกนั้นให้คนอื่นไปหมดลูกเมียให้คนอื่นไปหมดสามีให้คนอื่นไปเอาแต่ร่างกายนี้เพื่อที่จะได้มาสร้างกำลังภายในเพื่อจะได้เป็นอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลอย่างเต็มที่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่ได้เพราะถ้ายังต้องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทอง ดูแลรักษาเงินรักษาทองใช้เงินใช้ทองอยู่ก็จะรักษาศีลไม่ได้เต็มที่จะไม่มีเวลาภาวนาได้อย่างเต็มที่นั่นเองดันั้นเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านปฏิบัติทานศินภาวนาอย่างไรท่านถึงได้ผลอย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างนั้นการปฏิบัติทานศินภาวนาของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าเราทําได้อย่างนั้นเหมือนกับที่ท่านได้ทํามาผลเราก็จ้าได้รับอย่างแน่นอนเพราะเรื่องเหตุต้องผลนี้มันไม่มีใครที่จะมาล้มล้างได้มันเป็นความจริงตายตัวของมันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะในสมัยพระพุทธการก็ดีในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีหรือสมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็ดีเหตุกับผลคู่นี้จะเป็นเหมือนกันไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ถ้ามีเหตุก็จะมีผลถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลดังนั้นเหตุของพวกเราก็คือการมาสร้างกําลังภายในกันมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนากันขอให้เพิ่มการกระทําสร้างให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับตอนนี้ร้อยละสิบก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยะสามสิบขยับมันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเต็มร้อย ถ้าเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะเต็มร้อยอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุระติสากลังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานังอุปกัปฏิ อิชิตังปัิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิตาตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปัญญาราโสยทาปณิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะ อภิวาทานสีดิะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวาทาติอายุวนโนสุขังพาลาังใครอยากจะถามปัญหาก็มีไมโครโฟน นีร้ระวังโทรศัพท์นิดนึงนะครับถ้าโทรศัพท์มีคลื่นเนี่ย ม, มันจะมันจะตีมันจะหดมันจะมีคลื่นแทรกเลยครับถ้าอยู่ทางนี้ต้องปิดก่อนไม่มีใครถามนะที่ว่ามี <c oughs> พอเจอไม้นี่หดกันเลยพอปิดไม้นี่ถามกันแทรเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครรู้เราไม่เห็นไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่เห็นหน้าตา าไม่มีเดี๋ยวจะมีคำถามผ่านทางทางบ้านทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กพวกเราอยู่ทางบ้านก็ติดตามได้นะที่นี่มีเอาไปลงในเฟซบุ๊กสมัครเป็นเพื่อนได้สมัครพระอาจารย์สุสสชาติและพิชาโตสมัครเราเล่ไนะไปละหมดป้าติเอาเลย ในเวลาไปไม่ได้นะทานตงนี้นะคำคำถามข้อแรกจากคุณเทียนนะครับการอ้างบารมีเก่าที่ตนทำได้ญาณได้อภิญญาคืออะไรคำว่า อ, อ้างก็หมายถึงว่ามันมันพูดถึงสิ่งที่เรามีอยู่นะที่เราเคยทำมาในอดีต เช่นเราในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ทำความดีบางชนิดบางอย่างเช่นชาตินี้เราก็มาทำทานกันนี่ก็เป็นทานบารมีถ้าเรารักษาศีลก็เรียกว่าศีลบารมีถ้าเราฝึกสมาธิเราก็จะได้เนคขมมะบารมีได้อุเบกขาบารมีถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ปัญญาบารมี อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ติดไปกับเราได้ไม่เหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราไม่สามารถเอาติดไปได้เพราะว่ามันเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นวัตถุสิ่งที่เราติดไปได้นี้ต้องเป็นนามธรรมเพราะใจเราเป็นนามธรรมฉังนั้นอะไรที่ทำที่เป็นนามธรรมเนี่ยบาลมีทั้งสิบนี้เรียกว่าเป็นนามธรรมาเป็นกุศลเป็น ฝ่ายดีไปฝ่ายที่จะสนับสนุนเชิดชูจิตใจให้เจริญสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เรามาเกิดในชาตินี้แล้วเราทำอะไรรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วว่องไวสะดวกได้รับผลอย่างรวดเร็วนี้เราก็อาจจะอ้างว่ามันเป็นผลของบารมีที่เราทำไว้เช่นทานบารมี ถ้าเราทาทานบารมีมามากเวลาเรามาเกิดเรามักจะพบกับความสำเร็จในเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเงินทองไหลามาเทมาเหมือนกับที่เหมือนกับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดนรก็ส่งบำเพ็ญทานบารมีมาอย่างแก่กล้ามีสมบัติมีอะไรใครต้องการใครขอใครเดือดร้อนก็ส่งบริจาค ทรงแบ่งปันให้ไปไม่เสียดายพอพ อ, องตายจากพอพระเวชสันดรตายไปก็ไปสวยผลบุญในสวรรค์ชั้นเทพแล้วพอพอบุญที่ได้รับสวยในสวรรค์ชั้นเทพนั้นหมดก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้ก็เป็นอันิสองของผลบุญ แต่การที่มาเกิดเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นลูกของหมหาเศรษฐีนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นผลของของผลบุญที่เราทำไว้เสมอไปเช่นบางคลมาเกิดเป็นเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่จิตใจไม่ชอบทำทานก็มีอย่างนี้ก็แสดงว่าชาติก่อนไม่เคยทำทานไม่ชอบทำทานดังนั้นการได้มาเกิดเป็น ลูกคนรวยลูอๆของกษัตริย์นี้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นจังหวะมันพอดีเหมือนกับเราขับรถหาที่จอดรถพอดีรถออกมาเราเลี้ยวเรามาถึงที่ก็เลี้ยวเข้าไปเสียบเลยอันนี้เรียกว่าของจังหวะแต่ถ้าจะได้จอดรถที่ดีจริงนี้ต้องมีตั๋วต้องมีบัตรอันนี้สติ๊กเกอร์ติดไว้ให้แล้วเขาจะมีที่สัมลองไว้ อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบารมีดังนั้นอยากจะรู้ว่าเป็นบารมีหรือไม่ที่เราเล่าเรารวยขึ้นมานี้ขอให้ดูที่ใจนิสัยของเราว่าเราชอบทำทานหรือไม่ถ้าเราชอบทำทานนั้นแสดงว่าอันนั้นแหละมันเป็นเป็นผลที่เกิดจากการที่เราได้ทำทานมาหรืออาจจะเป็นจังหวะด้วยก็ได้มันของอย่างนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน พระเจ้าถึงทรงตัดว่าเรื่องของกรรมมันเป็นอจินไตยมันมีเหตุปัจจัยหลายหลากหลายด้วยกันเราจะมาชี้บอกว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้นอกจากเรามีญาณอย่างทราบความเชื่อมต่อของมันถ้าเราไม่มีเราก็ต้องเข้าใจแบบกว้างๆ ว, ว่ามันก็ทานบารมีนี้ก็มีผลจังหวะโอกาสมันก็มีผล ม, มันก็เป็นเหตุได้เหมือนกันดังั้นก็สำคัญก็คือทำทานแล้วไม่เสียก็าล้กันไม่มีความเสียหายมีแต่จะได้มีแต่ว่าได้ช้าดได้เร็วนี่คือเรื่องของทานบารมีหลวงท่านมาเกิดปั๊บก็บวชได้เลยตั้งแต่เป็นเนตั้งแต่เป็นเด็กอันนี้แสดงว่าชาติก่อนค่อยบวชมาก่อนแล้วพอได้บวชต่อก็อยู่ต่อได้ คนที่ไม่เคยชาติก่อนไม่เคยบวชบวชเนนได้แค่สิบห้าวันก็ขอสึกนัม น, นแสดงว่าไม่มีบารมีมานี่คือความหมายของการสร้างบารมขีข้อที่สองนะครับคนที่ปฏิบัติแล้วพูดธรรมะทั้งวันท่ำความดีตนเองทั้งวันสติดีหรือไม่ดี คนถามก็ไม่ดีเหมือนกันไปยุ่งกับคนไม่ดีทำไมคำถามข้อต่อไปจากคุณพีดฟูนะครับเมื่อเข้าพรรษาแล้วยังไม่ออกพรรษาในช่วงระหว่างพรรษาจะสามารถบวชหรือฝึกได้หรือไม่คือในพระวินัยนี้ท่านไม่มีกำหนดเวลาของการบวชหรือของการศึก เรื่องการบวชเข้าพรรษานี้เป็นธรรมเนียมที่เรามาปฏิบัติกันในภายหลังคือธรรมดาพระที่บวชนี่ท่านมีพระวินัยที่บังคับให้อยู่กับที่ในระยะช่วงฤดูฝนเพราะเป็นช่วงฤดูที่ชาวนาชาวไร่เขาทําไร่ไถนาเพราะปลูกหวานพืชกันถ้าพระไม่อยู่กับที่ท่านจาลีกไป บางทีท่านก็เดินรัดทุ่งรัดนาก็ไปเหยียบทาลายาพืชที่เขาเพิ่งเพาะปลูกขึ้นมาเกิดความเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยมากลาบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดห้ามไม่ให้พระภิกษุจาริกไปไหนในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนให้อยู่กับที่แต่ท่านไม่มีกำหนดว่าบวชในพรรษาได้หรือไม่ ศึกในพรรษาได้หรือไม่อันนี้ไม่มีกำหนดเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำมีธรรมเนียมว่าเวลาบวชคนจะบวชช่วงเข้าพรรษากันเพราะช่วงเข้าพรรษานี้จะเป็นช่วงที่มีการศึกษามีการปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นก็เลยเป็นธรรมเนียมของคนที่อยากจะบวชจะบวชในช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็เมื่อบวชแล้วเขาก็ต้องอยู่ให้ครบพรรษา ถ้าบวชแล้วสึกกลางพรรษา ถ, าถือว่าล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จเดินไปได้เพียงครึ่งทางก็ก็ตายไปซะก่อนไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเขาก็เลยมีธรรมเนียมว่าบวชแล้วต้องรอให้ออกพรรษาก่อนแล้วก็รอรับกรถินก่อนเพราะถือว่ากรถินนี้เป็นบุญใหญ่ที่ปีหนึ่งจะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งวัด ก็เลยมีธรรมเนียมว่าบวชแล้วก็ต้องอยู่จนออกพรรษารับผ้ากรถินก่อนแล้วค่อยลาศิากขาในช่วงนั้นก็จะไม่มีไม่สะดวกที่จะรับบวชเพราะว่าที่มันเต็มในช่วงเขา้าพรรษานี้จะมีคนมาบวชกันมากที่วาระสายมันก็จะเต็มฉันั้นจึงเป็งไม่ค่อยมีการบวชในช่วงพรรษาหรือมีการเสด็จในช่วงพรรษา แต่ถ้าบางวัดมีที่ว่างแล้วรับนับได้ก็บวชได้บวชในพรรษาก็ได้แล้วอยากจะศึกในพรรษาก็ได้อันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ยังได้คําถามข้อต่อไปจากคุณหลินหุยหมิงนะครับศัตรูของญาณหนึ่งคือนิวรณ์แล้วคนที่เพิ่งเริ่มภาวนาจะได้รู้ได้อย่างไรครับว่า สามารถเข้าถึงยานหนึ่งแล้วอะไรเป็นข้อบ่งชี้ใจสงบเนน่ยเรียกว่าเป็นฌานไม่ใช่เป็นญานยานนี้มันเป็นความอย่างรู้แต่ที่เราพูดนี้หมายถึงฌานฌานมีอยู่8ประดับด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนรูปฌานกับอรูปฌปานรูปฌานก็มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ ในแต่ละขั้นก็จะมีคุณสมบัติของฌานนั้นๆขอให้ไปเปิดตาราดูรู้สึกว่าขั้นที่หนึ่งจะต้องมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าเวลาเรานั่งไปแล้วเรามีวิตกวิจาร์มีปิติมีสุขหรือเปล่ า, าวิตกวิจาร์ก็คือการาตึกรับรองตึกก็คือเช่นนึกถึงพุโทโธนี่เรียกว่าตึกแล้ว ถ้าบริการพุโทโธอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าตรองใจเรามีการต่อเนื่องไม่มีการบริการพุโทโธพุธโทโธอย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้ายังไม่ต่อเนื่องพุโทโธได้สองคำก็ไปคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวคิดถึงขนมนอันนี้มันก็ยังไม่เข้ายังเข้าไปไม่ถึงฌานที่หนึ่งถ้าเขาถึงฌานที่หนึ่งแล้วจะมีแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าฌานที่หนึ่งได้แล้วเกิดความปิติความสุขใจขึ้นมา ขนนุกซ่าน้ำตาไหลหรือมีแสงสว่างอะไรปรากฏให้เห็นอันนี้คือลักษณะของความมีปิตินี่เรียกว่าชานที่หนึ่งแต่ละชานก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปพอถึงชานที่สี่ก็จะเหลือแต่อุเบกขาเพียงอย่างเดียวเหลือแต่เอกขัตตารมศัก์แต่ว่ารู้มีผู้รู้อยู่ตามลำพัง อันนี้ต้องไปอ่านตามตาราหรือถ้าอยากถ้าอยากจะรู้คุณสมบัติแต่ถ้าไม่อยากจะรู้ก็ให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาไปผ่านไปตามชานขั้นต่างๆซึ่งเวลาปฏิบัติเราไม่สนใจเราเอ้ตอนนี้อยู่ชานขั้นไหนแล้ววะเนี mm ่ย hmm. ชั้นที่สองแล้วชั้นที่สามพอมาปรุงแต่งมันก็เลยตกออกมาจากชานะถ้าอยู่กบชานมันต้องไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่สนใจว่าตอนนี้ฉันอยู่ชานไหนแล้ว เขาให้พุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวจนกว่าพุโทโธมันจะหยุดมันหายไปทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความว่างอันนั้นนะ่ะเข้าถึงฌานสี่แล้วในระหว่างทางมันก็จะมีปิติมีสุขมีแสงสว่างมีน้ำตาไหลมีอะไรปรากฏให้รูก็อยากไปสนใจถ้าเราอยากจะไปถึงฌานที่สี่เหมือนนั่งลิฟต์เนี่ยเรานั่งขึ้นไปพอชั้นที่หนึ่งมันก็จอดเราก็อยากพึ่งออกเราก็อยู่ในลิฟต์ต่อไป ออกเป็นขึ้นชั้นที่สองแล้วก็อย่าเพิ่งออกไว้รอไปถึงชั้นที่สี่แล้วค่อยออกวเวลาถึงชั้นที่สี่นี้พุโทโธมันจะหยุดไปเองความคิดปรุงแต่งมันจะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสมบที่เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละคือเรื่องของฌานซึ่งส่วนรูปอารูปฌานนี้เป็นฌานที่ละเอียดกว่ารูปรูปฌาน แต่ในเรื่องของการเจริญปัญญานี้ไม่จําเป็นจะต้องไปถึงขั้นอรูปปัจจานให้ได้รูปปัจจานสี่นี้ก็จะมีฐานมีกําลังไว้สําหรับเจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญาได้งั้นเวลาออกจากฌานสี่แล้วเราก็ออกมาเจริญปัญญาต่อพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อแล้วก็จะปล่อยวางจะตัดปัญหาความอยากได้ดับความทุกข์ภายในใจได้หลุดพ้นจากการ เวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยการเจริญฌานสี่สลับกับการเจริญปัญญาพิจณาไพลักษ์อนนี้จังทุกขังอนัตตาไปคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงเอ็นทีนะครับข้อที่หนึ่งคนเราทำบุญเพราะอยากได้บุญเป็นกิเลสไหมคะบาปไหมความอยากได้บุญนี้ไม่เป็นกิเลส เพราะว่าเป็นเหมือนกับคนไข่อยากจะกินยาค eh. นเราไม่สบายเราก็อยากจะหาจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องกินยาถ้าเราไม่อยากกินยาเราก็ไม่กินถ้าไม่กินโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องทําบุญถ้าเราไม่อยากทําบุญเราไม่ทําบุญเราก็จะไม่พ้นทุกข์บุญก็มีสามขั้นทาทานรักษาศีลภาวนาเรียกว่าการอยากกินยา การอยากกินยานี้ไม่เป็นกิเลสที่เป็นกิเลสก็คืออยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากสวยอยากงามอยากหล่ออยากเหลาอยากเป็นดาราอยากจะเป็นนางงามเนี่ี่เรียกว่าเป็นกิเลสเรียกว่าภาวะตัณหาส่วนตัณหาที่สามก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจน อยากไม่พิกลพิการความอยากเหล่านี้ต้องทําลายเหมือนแต่การอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ทําไปเถอะไม่เป็นกิเลสยิ่งทําก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นคนเราถ้าไม่มีความอยากทําบุญเราจะทําบุญได้อย่างไรอย่างวันนี้ญาติโยนถ้าไม่อยากจะทําทานไม่อยากจะไปเลี้ยงเด็กอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้นั้นจะไปทางไหนความอยากมัน มันอยากอะไรมันก็ต้องไปทาทางนั้นใช่ไหมถ้าวันนี้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มไปเฮฮาปาร์ตี้กันมันก็ไม่ได้มาทำทานไม่ได้มาขึ้นเขามาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อไม่ทาไม่ได้ทำทานไม่มาฟังเทศฟังธรรมมันก็ดับความทุกข์ไม่ได้กลับจะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสริมกาลังของตัณหาคือกามาตัณหา คามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสท่ามีเพิ่มมากขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นขอให้เราจําไว้ว่าความอยากมีสามตัวเท่านั้นที่เป็นตัวที่เราต้องจําจัดคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัตหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาส่วนความอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากจะบวชนี่ไม่ได้เป็นกิเลส เป็นธรรมะข้อที่สองนะครับเวลาเห็นพระสงค์ชอบสงสัยว่าพระแท้หรือพระไม่แท้และเลือกที่จะทําบุญกับพระที่คิดว่าใช่บาปไหมจะว่าบาปก็ไม่บาปหรอกคือว่าเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากจะได้ของแท้เราไม่อยากได้ของปลอมก็เป็นปกติเวลาเราทําบุญเราก็อยากจะทําบุญกับพระแท้ เราไม่อยากจะทําบุญกับพระปลอมเพราะทําบุญกับพระแท้จะได้อนิสงส์ได้ประโยชน์มากกว่าทําบุญกับพระปลอมแต่ความจริงทําบุญกับพระปลอมก็เราก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าได้น้อยกว่าทําบุญกับพระแท้บุญที่เราได้จากการทําบุญจากพระปลอมก็คือเราเสียสละเราแบ่งปันอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่บุญที่เกิดจากการ ฟังเทศฟังธรรมนี้มันไม่เกิดเวลาเราไปทำบุญกับพระปลอมพระปรอมนี้ไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะที่จะมาแจกจ่ายให้กับเราถ้ามีก็เป็นธรรมะปลอมอแทนที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกลับให้เราหลงทางอีกก็ได้ถ้าไปฟังธรรมะปลอมขึ้นมาดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าพระจริงพระแท้เป็นยังไง ไม่บาปอ๋อของคุณหลินหุ่ยหมิงอีกข้อหนึ่งนะครับหนูนั่งทำสมาธิที่เก้าอี้โซฟาหนูปวดเข่าบาปไหมคะมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายเมื่อมันอยู่ใน area บวดอันใดานานๆมันก็ต้องร่มมีการเจ็บขึ้นมาเป็นธรรมดา การเจ็บของร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดนพระอาจารย์ครับขอขั้นเวลาด้วยคําถามเลยครับเนื่องจากเพิ่งได้ยินมาว่าสมัยพระอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านป่าใหม่ๆพระอาจารย์ล้อมรั้วกุฏิตัวเองอะครับพระอ า, <c oughs> าจารย์ไม่ได้ล้อมหรอกมันคือมันมันมีเวลาไปทําที่พักในป่าเนี่ยมันจะมีทางเดินเข้าไปเราต้องปากทางแล้วก็ตั้ง ประตูไว้อันหนึ่งปิดประตูไว้เท่านั้นเองไม่ได้ล็อกอะไรคือให้รู้ว่าทางเข้านี้มีมีประตูเปอเวลาใครจะเข้าจะได้ทิศก่อนว่าเข้าไปบางคนบางทีไปเดินเที่ยวดูบริเวณวัดอย่างนี้ก็เห็นที่ไหนมีทางเดินก็จะเดินไปบางทีเดินไปพระเจ้าเอกําลังเดินจมกรมอยู่หรือกําลังนั่งสมาธิอยู่ก็ไปไปรบกวนการปฏิบัตินะครับ ก็เลยปิดประตูเอาไว้ทำประตูปิดเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้คนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเนี่ยไปรบกวนเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับคำถามข้อต่อไปจากคุณชัดพลนะครับการที่เรากระทำผิดสับเพ้าในการงานเพราะความขาดสติปัญญาความรอบครอบ แล้วโดนครูบาอาจารย์ท่านตักเตือนสั่งสอนแสดงกิริยาดุดาเราจะมีวิธีรักษาใจเราอย่างไรไม่ให้ขุนมัวทั้งๆ ท, ที่เราก็รักเคารพท่านมากแต่ก็อดรู้สึกเสียใจและน้อยใจไม่ค่อยจะได้ครับก็เป็นปกติของจิตใจที่ยังมีกิเลสอยู่ที่ยังไม่มีธรรมะคือสติปัญญาที่จะต่อต้านมัน อย่างน้อยสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเราอย่าปล่อยให้มันออกมาผ่านทางวาจาหรือทางการกระทาก็แล้วกันพยายามข่มมันไว้ด้วยพุโทโธพุโทโธไปก่อนแล้วก็ใช้ความเคารพรักคุบอาจารย์มาช่วยดังงอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องปกติของกิเลสตัญหาเมื่อมันได้ยินได้ฟังในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมไว้เช่นเวลาท่านดุท่านด่ า, ดาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอหรือว่าถ้าเรามีปัญญาก็น้อมมาว่าท่านกําลังชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราการชี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ความบกพร่อ ง, องของเรานี้เป็นเหมือนการชี้ขุมทรัพย์เป็นเหมือนส่งกระจกดูส่งกระจกดูหน้าเราเวลาเราออกจากบ้านนี่เราต้องส่งกระจกดูหน้าตาเราก่อนหรือเป่าหรือว่ามีขี้ตาขี้มูกติดอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่มีกระจกมันที่ไม่รู้เดินออกมานอกบ้านมีเอาขี้ขตาขี้มูกมาโชว์คนนี้เราก็ต้องขอบคุณที่เรากระจกทำหน้าที่ให้เราชี้ให้เราเห็นว่าหน้าตาเรามันไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเวลาเราทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่ควรท่านก็จะเตือนเราซึ่งเราควรจะกราบไหว้ท่านที่ว่าท่านเมตตาท่านดูแลเ ร, เราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเรา งั้เราต้องขัดคิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราก็จะมีอะไรคอยคอยคุมความไม่พอใจนี้ได้ในระดับหนึ่งนี่คือว่าการใช้ปัญญาถ้าใช้ไม่ได้มันเกิดอาการเสีย อ, อกเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจเรืองโกรธขึ้นมาก็ใช้สติคุมมันไว้ก่อนวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไร คำถามข้อต่อไปจะคุณอัญชนานะครับหนูมีอารมณ์แปรปวนแต่เริ่มดีขึ้นมากหลังจากไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งนอนดูลมหายใจอย่างเดียวเริ่มมีความคิดแง่บวกมากขึ้นและคิดทําร้ายตัวเองน้อยลงมากปัญหาของหนูคือมันรุกเข้าออกทั้งทางจมูกและท้องบางทีก็สลับกันมันควรจะเป็นทางเดียวหรือเปล่าคะ หนูก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยมาหนูขอความรู้ว่าทำยังไงดีคะถึงจะถูกและหนูนั่งทำสมาธิที่เก้าอี้โซฟาหนูปวดเขา่าบาปไหมคะก็การดูแมนี้ก็ควรจะดูที่จุดใดจุดหนึ่งจะดีกว่าเพราะถ้าเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาใจก็จะไม่นิ่งถ้าเราอยู่จุดเดียวนี้ใจจะนิ่งใจจะสงบได้ถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนจากจุดนั้นมาจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนั้นใจมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ดังนั้นต้องพยายามเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นที่เกาะติดของใจได้ดีแล้วก็ใช้จุดนั้นแล้วก็ใช้จุดนั้นเป็นที่ผูกใจไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป ถ้าก่อนจะสงบแล้วมันเจ็บมันปวดถ้าฝืนได้ทนได้ก็อย่าไปสนใจมันให้เกาะติดอยู่กับการดูลมหายใจต่อไปหรือถ้าอาจจะต้องใช้การบริกรรมพุโทโธเพื่อดึงใจให้ออกมาจากความรับรู้ความเจ็บก็ใช้ได้บริกรรมพุโทโธไปให้มันถี่ไม่ใหม้มีช่องไปคิดถึงความเจ็บความเจ็บก็อาจจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้เรื่องของความเจ็บนี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องของบาปของกรรมแต่อย่างไดคำถามข้อต่อไปจากคุณนภัทรนะครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายความต่างของปฏิภาคนิมิตกับอุคขหะนิมิตว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรคืออุกขะะนิมิตก็คือภาพที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเห็นร่างกายของใครก็ตามเรียกว่าเป็นอุกขะะนิมิต ปฏิภาคก็คือให้แยกสัดส่วนของร่างกายนั้นเช่นผ่าผ่าร่างกายแยกออกมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนเอาเอาผมออกมากองหนึ่งเอาขนออกมากองหนึ่งเอามาเล็บเอามากองไว้เป็นกององเรียกว่าปฏิภาคเพื่อที่จะได้เห็นความจริงแท้ของร่างกายว่าเป็นอะไรกันนะเป็นตัวเราตัวเราเป็นผมหรือเป็นขนหรือเป็นเล็บหรือเป็นฟันหรือเป็นหนังหรือเป็นเนื้อหรือ นี่เรียกว่าปฏิภาพคือแยกชิ้นส่วนออกมาแต่เวลานั่งใหม่ๆนี้มันจะปรากฏแต่ภาพขึ้นมาอาจจะเห็นภาพตัวเราหรือภาพใครก็ตามหรือเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราเห็นใครก็เป็นอุคาหนิมิตได้เหมือนกันเห็นหน้าแฟนก็เป็นอุคาหนิมิตพอเราแยกชิ้นส่วนของแฟนออกมากระจายสส่วนสาสองออกไปตัวแฟนก็หายไปหรือแต่กอง กองสามสิสองอาการสามสิสองเหมือนกับเวลาที่เราไปตลาดแล้วคนขายหมูขายเนื้อเขาก็ชำแหละแยกชิ้นส่วนของหมูของเนื้อตัวเนื้อหายไปแล้วใช่ไหมเวลาไปที่นั้นมีแต่มีแต่ตับมีแต่ไตมีแต่กระเพาะมีแต่ลำไส้มีราคาทั้งนั้นเลยเวลาเป็นตัวไม่ค่อยมีราคาเหมือนตตอนที่มันแยก ร่างกายคนนักขายได้เวลาตายไม่ต้องไปเผาสมให้เสียเงินเอาไปขายที่ตลาดได้แต่ว่าเขาไม่นิยมกินคนทั้งนั้นเพราะอะไรพราะกินแล้วเดี๋ยวฆ่ากันฆ่ากันเอามากินกันครับเลยไม่นิยมกินกันคือการปฏิภาคนี้เพื่อแยกแยะให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเวลามันรวมกันมันมันเป็นภาคเลาะมันเป็นภาพหลอกเนี่ยเราต้องตีให้มันกระจาย ปฏิภาคออกมาให้มันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเลยให้มันกลับไปสู่ความจริงของมันความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นดินน้ำเป็นลมไฟดังนั้นกุฏิหลังนี้มันก็เป็นของที่ทำมาจากดินดังนั้นเอาไปทิ้งไว้สักพักเดียวมันก็เสื่อมกลายเป็นดินไปหมดนี่เรียกว่าปฏิภาคทำลายส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นรวมกันอยู่ ไปแยากสัดส่วนมันออกมาแยากชิ้นส่วนต่างๆเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้าเราถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาเดี๋ยวตัวรถยนต์ก็จะหายไปเหลือแต่ชิ้นส่วนเหลือแต่ล้อหรือแต่กระบะเหลือแต่เครื่องยนต์เหลือแต่กระจกหรือแต่อะไรมันก็เป็นชิ้นๆไปตัวรถก็หายไปการทําปฏิภาค ร, ร่างกายเพื่อทําลายอัตราตัวตนให้เห็นว่าความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่มีอัตราตัวตนมีแต่อาการ32 ที่จะต้องจะลายกลายเป็นดินน้าลมไฟไปในที่สุด น, นี่เรียกว่าปฏิภาคตอนต้นก็นึกถึงภาพคนก่อนแล้วก็ต่อมาก็มาแยากชิ้นส่วนเขาไปทําลายตัวตนให้เห็นว่าไม่ไม่ใช่เป็นหญิงไม่ใช่เป็นชายไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่ในายกนายขอนางงนางคอเป็นเพียงแต่อาการจิตสองเกิดแก่เจิตตาย ทามาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดครับคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ที่เหลือยกไปวันพรุ่งนี้นะครับจากคุณบันเตจันทานะครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตไม่ค่อยว่างเลยจะทํายังไงดีครับต้องมาเจริญสติก่อนต้องฝึกสติให้มากๆเอาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพุโทโธไปพอตื่นเมืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลย ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีพุโทโธกช็ชอบติดไปกับใจตลอดเวลาอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ต้องเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดจริงๆเช่นเวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวทำเสร็จแล้วก็เอาพุโทโธกลับมามาอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวขนมน ม, นมเนยคิดถึงเพื่อนคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะทาให้เกิดกิเลสตัณหาจะทาให้ใจไม่สงบ แต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธอยู่อย่างต่อเนื่องเวลาเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าได้ฌานหนึ่งแล้วมีตึกมีตรองตลอดเวลาแล้วเข้าสู่ฌานหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเข้าสู่ฌานสองฌานสามตามลําดับถึงฌานสี่ไปในที่สุดได้ต้องจเจริญสติกันนักปฏิบัติสมาธินี้ส่วนใหญ่ไม่มีสติกันพอจะ นั่งสมาธิก็นั่งกันเลยเหมือนเด็กยังอ่านกไก่ขอไขไม่ได้ก็จะแต่งนิยายกันเลยจะไปแต่งได้ไงกอไก่ขอไข ย, อยังท่องไม่ได้ยังสะกดไม่ได้ต้องมาหัดท่องกอไก่ขอไขก่อนมาหัดสะกดก่อนพราะสะกดแล้วเขียนได้อ่านได้แล้วถึงค่อยมาแต่งนิยายได้แต่ในการปฏิบัตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสุบได้ ดันั้นปัญหาของผู้ปฏิบัติทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไม่เริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่พอเริ่มต้นก็จะไปแต่งนิยายไปเขียนหนังสือเลยมันก็เลยเขียนแต่ตัวหนังสืออย่างที่เด็กบางคนเขียนนี่อ่านไม่ออกเป็นเส้นขีดไปขีดมาแม่บางคนให้ลูกเขียนเขียนใส่ใบภาวนาเขียนหน้าศ อ, อ่านไม่รู้เรื่องเ ก็เด็กที่ยังเรียนกไก่เขาไก่ไม่ได้มาเขียนมันก็อย่างนั้นแหละชั้นใดคนที่ไม่มีสติจะมานั่งสมาธิมันก็นั่งไม่สนงบนั่งไม่ได้ฉะนั้นพยายามฝึกสติก่อนอย่าข้ามขั้นนะต้องใจยเย็นๆพยายามฝึกสติสตินี้เราฝึกได้ทุกวันทุกเวลาทุกแห่งทุกคนให้มีพุโทโธกับควบคู่ไวกับตัวเรากับการกระทําของเราทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวทท่านั้นเอง แล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้จะได้ผลดีเอาแล้วนะมีใครอยากจะถามปัญหาอีกไหมถ้าไม่มีก็จะขอยุติการแสดงการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร คุณ